นับว่าได้ผลดีเสือทรมานคนเก่งมากทำให้เข็ดไปนานเสียด้วยตอนนี้ขอแทรกเรื่องพิเศษลงสักนิดพอหอมปากหอมคอคือผู้เขียนเองก็คิดอยากได้เสือสักตัวมาอยู่แถวใกล้เคียงวัดป่าบันตาศเพื่อช่วยภา ร, ระบางอย่างให้เบาลงบ้างเวลาพระเนรเทนชีหรือท่านผูดด้ใดก็าตามที่ขี้เกียจภาวนาขึ้นมามัวแต่นอนจะได้ช่วยให้ขยันขึ้นบ้างแม้ไม่ไม้ให้เห็นตัวเสือ แต่เพียงช่วยทางเสียงก็คงพอจะทำให้ตาตั้งหูกลางและลุกขึ้นภาวนาคันบ้านไม่สนุกนอนจนเกินไปแต่ถ้าเสือมาอยู่ที่นั้นแล้วสุนัขบ้านที่มาอาศัยวัดอยู่หลายตัวซึ่งเคยเป็นอาจารย์สอนคนผู้ขี่เกียรติปิดประตูและเก็บรักษาสิ่งของไว้รับประทานจะพากันกลัววิ่งแตกหนีหมดก็จะขาดกาลังทางหนึ่งไปความจริงเราอยากได้ไว้ที่วัดทั้งสองอาจารย์คืออาจารย์เสือ และอาจารย์หมานั่นและจะได้ช่วยกันเตือนทั้งความภ า, ากเพียรทั้งการเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้ดีๆวัดจะสมบูรณ์ทั้งคนขยันทำความเพียรทั้งคนขยันเก็บรักษาสิ่งต่างๆไว้รับประทานด้วยความปลอดภัยคงดีมากถ้าทําอย่างนี้พระเนนเถนชีตลอดบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากที่ต่างๆซึ่งเป็นนักกลัวเสือและขี้เกียจเก็บรักษาสิ่งของต่างๆก็จะพานมโหอาจารย์เข้าให้อีกว่า ไปเอาเสือเอาอะไรมาทรมานกันไม่เข้าเรื่องก็จะยุ่งกันใหญ่แต่ความจริงก็น่าจะมีอะไรมาคอยช่วยเตือนบ้างเฉพาะอาจารย์คนเดียวดูแลไม่ทัวถึงโดยมากทางครัวที่คณะลูกศิษย์ฝ่ายผู้หญิงและอุบาสิกามาจากที่ต่างๆมาพักกันมักจะเสียเปรียบพภกสุนัขบ้านที่แอบซ่อนอยู่ในวัดเป็นฝงๆาโมยสิ่งของไปกินเสมอแม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และน่าเสียดายก็เป็นความบกพร่องซึ่งไม่อยากให้มีเพราะ คำว่าบกพร่องแล้วอยู่กับอะไรไม่ดีทั้งสิ้นยิ่งมาอยู่กับคนและไม่สนใจชำระแก้ไขด้วยแล้วยิ่งไม่ดีเลยที่นำสัตว์นำเสือมาลงบ้างต้องขออภัยด้วยเห็นว่าเรื่องเกี่ยวเนื่องกันพอเป็นคติได้บ้างจึงได้นำลงขอย้อนพูดเรื่องท่านอาจารย์กับตาปะขาวต่อไปซึ่งยังไม่จบพอเวลาต่อไปตาปะขาวตั้งท่ากลัวเสืออยู่ตลอดทั้งกลางวันกลางคืน ใจมองเห็นภาพเสือโคร่งใหญ่ตัวนั้นอย่างชัดเจนตลอดเวลาและคิดเรื่องเสือจะมาหาแทบทุกลมหายใจกระทั่งเย็นไม่มีเวลาสบายใจได้เลยหมัวคิดว่าเสือตัวนั้นจะโดดผงผางมางับคอไปกินอยู่เรื่อยไปแต่ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ระลึกเห็นภาพเสือทีไรก็ระลึกถึงผู้โธ ท, ทีนั่นไปพร้อมๆกันไม่มีเวลาพลัง้งเผลอพอเริ่มเมือดอก็เริ่มเข้าที่นั่งภาวนาพุโทโธบ้างคิดว่า เสือจะมาบ้างสับกันไปไม่เป็นอันอยู่หลับนอนและภาวนาได้เหมือนแต่ก่อนเลยภาวนาไปตาคอยจ้องมองเสือไปคืนนั้นเลยสว่างคาตาไม่ได้หลับนอนตลอดลุ่งเพราะถ้าเผอหลับไปเผื่อเสือมาในระยะนั้นจะทำอย่างไรก็เท่ากับนอนคอยท่ามันเอาไปกินอย่างง่ายๆพอสว่างก็รีบไปหาอาจารย์ท่านถามว่าเป็นอย่างไรเสือที่เป็นอาจารย์มาเยี่ยมบ้างหรือเปล่าคืนนี้ แกเรียนตอบท่านว่าไม่มาท่านจึงปลอบใจให้มีความอบอุ่นบ้างว่าจะกลัวมันทําอะไรถ้ากลัวความชั่วของตัวเองเท่ากลัวเสือก็พ้นทุกไปนานแล้วจงรีบกำจัดความชั่วที่ซองสมอยู่ในใจให้เบาบางและสิ้นไปจะไปสนใจอะไรกับเสือมันไม่มาทําไมหรอกเชื่อเราเอถอะทําให้ทําชั่วอีกเสือก็ไม่มาจงภาวนาให้ใจสบายเสือจะได้สบายหาย ห, ายห่วงไม่ต้องมาเยี่ยมเย็ยนอยู่ด้วยขาดการหากินของมันไปเปล่า ที่เสือมานั้นมันมาช่วยฉุดแกขึ้นจากนารกต่างหากเพราะการทําผิดของแกมีฉะนั้นแกจะตกนรกจริงๆเสือไม่ได้มาเพื่อตั้งใจจะกินถ้าแกไม่ทําชั่วอีกขอยรักษาตัวดีๆก็แล้วกันถ้าแกพยายามและขยันภาวนาแล้วแกจะเห็นเสือเท่าที่เห็นแล้วจะไม่เห็นมันต่อไปอีกเลยกระทั่งพวกเราจากที่นี่ไปนับแต่วันนั้นก็ไม่เคยเห็นเสือตัวนั้นเดินผ่านกล่ํามกลายแถวๆนั้นอีกเลย ดังกล่าวแล้วแม้จะมีเสียงกระเึิมไปมาบ้างก็เป็นธรรมดาดังที่เคยได้ยินทั่ ว, วไปไม่เคยมารบกวนให้ลำบากใจตาปะขาวก็ขยันภาวนาและสละทิฐิมาน่าทุกอย่างกลายเป็นคนดีทั้งภายในภายนอกไม่มีที่ต้องตินับแต่วันเสือมาช่วยอบรมให้เพียงคืนเดียวจึงน่าประหลาดใจอยู่ไม่ลืมจนแบบนี้สาหรับท่านเองท่านไม่นึกกลัวมันเลยแม้ตาปะขาวมาเล่าให้ฟังก็เฉ ย, เฉย เสือตัวที่มานั้นก็เป็นเสือเทพบรรดาลต่างหาท่านว่าท่านอาจารย์องค์นี้เป็นศิษฐ์ผู้ใหญ่ของท่านอาจารมั่นท่านชอบอยู่ลําพังองค์เดียวในป่าในเขาลึกอาศัยชาวไร่ชาวสวนเป็นที่ขัวจรบินทบาทเวลาท่านพักอยู่เงื่อนผากับตาปะขาวนั้นมีความก้าวหน้าทางจิตใจมากกว่าที่อื่นๆจึงได้พักอยู่ที่นั่นหลายเดือนจนก้าวเข้าฤดูฝนจึงได้กลับมาฝั่งไทยท่านว่าขณะเสือคำรามตาปะขาวเบ า, เบ า, เบา ท่านก็ได้ยินชัดเจนแต่ไม่ได้สนใจเพราะเคยได้ยินอยู่เสมอจนชินหูวเสีแล้วต่อเมื่อตาประขาวมาเล่าให้ฟังด้วยทั้งร้องห่มร้องไห้เพราะความกลัวจึงได้พิจารณาตามเหตุการณ์และเทวดามาเล่าให้ฟังจึงทราบว่าเทพบรรดาให้เสือตัวนั้นทรมานแกเพื่อหายประโยชน์ไม่ฉะนั้นแกจะเคยตัวและแสดงความตื้ตึงไปเรื่อยๆทาให้เป็นบาปเพิ่มขึ้นเวลาตายแกจะลงนรก จึงได้รีบแกไขด้วยวิธีที่แกจะเข็ดหลาบไม่หารทำอีกต่อไปท่านว่าเป็นความจริงดังเทวดามาเล่าให้ท่านฟังเพราะนับแต่วันนั้นมานิสัยใจคอความประพฤติทุกด้านของแกเปลี่ยนไปหมดจนกลายเป็นคนละคนไปได้แต่ก่อนแกมีนิสัยดือด้ออยู่บ้างบางครั้งเป็นลักษณะเหมือนคนไม่เต็มเต็บ้างเราก็ไม่ค่อยถือสากับแกปล่อยไปตามนิสัยของแกเรื่อยมาจนวันเสือมดัดสันดานหยาบ ราวความดึ้ดึงของแกลงได้จึงได้ทราบชัดว่าแกมีนิสัยไม่ดีติดตัวมาจริงๆิมีใช่คนไม่เต็มเต่งมิฉนั้นแม้ถูกเสือทรมานแล้วก็ไม่เข็ดนิสัยไม่เต็มเต็งก็คงกลับมาอีกแต่นี่นับแต่วันนั้นมาแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ดีกลับมาอีกเลยเรียบร้อยดีงามตลอดมาท่านอาจารย์องค์นี้ท่านมีคุณธรรมสูงมากน่ากราบไหว้บูชาแต่ท่านเสียไปได้ราวสีห้าปีแล้ว เวลาท่านจะจากขันไปก็ทราบว่าไม่ให้ใครวุ่นวายกับท่านมากเป็นกังวลไม่สบายท่านขอตายอย่างเงียบแบบกรรมฐานตายจึงเป็นความตายที่เต็มภูมิของพระปฏิบัติไม่เกลือนกลลวุ่นวายเวลาประชุมเพลิงท่านก็ทราบว่าพระผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ค่อยทราบกันเลยเนื่องจากท่านไม่ให้บอกใครให้ยุ่งไปมากวุ่นเปล่าเล่าวุ่นกับคนตายหมดราคาฆ่าหมดแล้วไม่ค่อยเกิดประโยชน์เหมือนวุ่นกับคนเป็น ท่านพูดอย่างสบายง่า ย, ายอย่างนี้เองใครจึงไม่กล้าขัดขืนคําท่านประการหนึ่งก็เป็นคําท่านสั่งเสียด้วยใจจริงด้วยกลัวเป็นบาปถ้าขืนคําท่านแม้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ผู้เขียนก็เคยได้ไปพักอาศัยอยู่กับท่านในเขาลึกราวครึ่งเดือนที่ท่านพักอยู่เวลานั้นเป็นป่าเขาอาศัยอยู่กับชาวไร่บินทบาทพอเป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งทราบว่าท่านจำภาษาที่นั้นหลายภาษาเหมือนกัน ที่นั่นผู้เขียนเคยตั้งเวลาดูตอนออกเดินทางกลับจากที่พักท่านออกมาหาหมู่บ้านกว่าจะพ้นจากป่าก็เป็นเวลาสามชั่วโมง20นาทีพอดีจนถึงหมู่บ้านก็ร่วมสี่ชั่วโมงชื่อท่านว่าท่านอาจารย์ล่าภูมิลำเนาเดิมอยู่เวียงจันทร์นับแต่อุปสมบทแล้วท่านเลออยู่ฝั่งไทยตลอดมาจนวันมรณะภาพเพราะทางฝั่งไทยมีหมู่คณะและครูอาจารย์ทางฝ่ายปฏิบัติมากการบาเพ็ญสมณธรรม ท่านมีนิสัยเด็ดเดียวอาถานชอบอยู่และไปคนเดียวอย่างมากว่ามีตาประขาวไปด้วยเพียงคนเดียวท่านมีนิสัยชอบรู้สิ่งแปลกแปลกได้ดีคือพวกกายทิพย์มีเทวดาเป็นต้นพวกนี้เคารพรักท่านมากท่านว่าท่านพักอยู่ที่ไหนมักมีพวกนี้ไปอารักขาอยู่เสมอท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษมากตลอดมาและไม่ชอบออกสังคมคือหมู่มากชอบอยู่แต่ป่าแต่เขา กับพวกชาวไร่ชาวป่าชาวเขาเป็นปกติตลอดมาท่านมีคุณธรรมสูงน่าเคารพบูชามากคุณธรรมทางสมาธิปัญญารู้สึกว่าท่านคล่องแคล่วมากแต่ผู้คนพระเนนสวนมากไม่ค่อยทราบเรื่องนี้มากนักเพราะท่านไม่ค่อยแสดงตัวมีเพียงผู้ที่เคยอยู่ใกล้ชิดท่านที่ทราบกันได้ดีราวพศ2493ที่ผู้เขียนไปอาศัยอยู่กับท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนถามธรรมท่าน รู้สึกว่าทราบซึ่งจับใจมากท่านอธิบายปัจจัยาการคืออวิชชาได้ดีละเอียดละออมากอยากจะมีผู้อธิบายได้อย่างท่านเพราะปัจจัยาการเป็นรำละเอียดสุขุมมากต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติภาคจิตตภาวนามาอย่างช่ำชองจึงจะสามารถอธิบายได้โดยละเอียดถูกต้องเนื่องจากปัจจัยาการหรืออวิชชาเป็นกิเลสประเภทละเอียดมากต้องเป็นวิสัยของปัญญาวิปัสสนา ขั้นละเอียดเท่าๆกันจึงจะสามารถค้นพบและถอดถอนตัวปฏิยาการคืออวิชชาจริงได้และอธิบายได้อย่างถูกต้องท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้หนึ่งที่อธิบายอาวิชชาปฏิยาการได้โดยละเอียดสุขุมเกินความสามารถของผู้เขียนจะนํามาอาธิบายในที่นี้ได้จึงขอผ่านไปด้วยความเสียดายท่านอาจารย์องค์นี้ท่านเริ่มชันหนเดียวและเที่ยวกรรมฐ า, านอยู่ตามป่าตามเขา กับท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสาวมาแต่เริ่มอุปสมบทจนถึงวันมรณะภาพไม่เคยลดละข้อวัดปฏิบัติและความเพียรทั้งใจตลอดมานับว่าเป็นอาจารย์ที่เหนียวแน่นทางธรรมปฏิบัติที่หายากองค์หนึ่งในสมัยปัจจุบันควรเป็นคติตัวอย่างเกตท่านผู้สนใจปฏิบัติทั้งหลายได้เป็นอย่างดีจึงข อ, อยุติเรื่องท่านไว้เพียงทนี้ก่อนเขียนเรื่องท่านอาจารย์องค์นี้ ได้เขียนเรื่องวิธีฝึกทรมานใจกับสิ่งที่น่ากลัวมีเสือเป็นต้นของพระธุดงค์มาเป็นลําดับยังไม่จบจึงขอดําเนินเรื่องต่อไปบางท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่ปากเขียวลึกซึ่งถ้าเผื่อตกก็มีหวังแน่แนสําหรับท่านผู้นั้นไม่กลัวจึงต้องทําวิธีนั้นซึ่งเป็นวิธีฝึกวิธีหนึ่งเผื่อเพลสติก็ยอมตกลงเหี่ยวตายไปเลยเพราะเวลาทําภาวนาอยู่ ตามธรรมชาจิตบังคับไม่อยู่ชอบยุ่งกับสิ่งนั้นอุ้นกับสิ่งนี้แล้วก่อความทุกข์วุ่นวายให้ตัวเองไม่เลิกแล้วสักทีไม่ว่าคนหรือสัตว์ความกรัวตายมีเท่ากันดังนั้นเวลาถูกบังคับให้เข้าตาจนจริงๆเช่นพาไปนั่งที่ปากเหวลืึกจิตต้องทํางานโดยไม่ต้องถูกบังคับขู่เข็น ใ, นใดๆเพราะความตายเป็นสิ่งที่จิตกลัวมากกว่าสิ่งใดๆมาดั่งเดิมขณะนั้นแล เป็นเวลาจิตต่อสู้กับความตายด้วยความตั้งใจและระลึกสติไว้กับตัว ต, วตลอดเวลาไม่ยอมทรงจิตไปอื่นมีสติประคองตัวอยุ่ทุกขณะจิตเมื่อมีสติคุ้มครองด้วยดีไม่ได้ดลอดออกไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศึกก็ย่อมรวมสงบลงได้ในเวลาไม่นานนักท่านที่ทำวิธีนี้ก็ได้รับผลเป็นที่พอใจเช่นกันการทาด้วยวิธีมีสิ่งบังคับคือความตายย่อมถือเป็นเรื่องสาคัญ ความเพียรเพื่อรักษาความเป็นอยู่ไว้ด้วยความมีสติอยู่กับตัวจึงทําให้เกิดผลทางด้านธรรมภายในใจคือได้เห็นจิตดวงผ่านผลยอมสงบตัวลงสู่สมาธิอย่างประจักษ์ไม่ต้องเสียเวลานานบางท่านนั่งภาวนาอยู่ในถ้ำพอได้ยินเสียงเสือกระหึม่มสังเกตดูจิตไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆท้งจิตก็มายอมลงสู่สมาธิตามต้องการท่านต้องหาอุบายคูจิต โดยวิธีออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าธรรมเวลาเสือมาที่นั้นจิตจะได้กลัวและรีบรวมสงบลงหาที่ปลอดภัยหายกลัวเสือก็ทำอะไรไม่ได้จิตก็รวมลงเป็นสมาธิได้ในขณะนั้นความรู้สึกของพระธุดงค์เลยมากที่เคยได้กำลังใจในขณะที่จิตกำลังกลัวและฝึกทรมานจนลงสู่ความสงบได้แล้วแน่ใจว่าอันตรายจะทาอะไรไม่ได้ในขณะนั้น แต่ความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นท่านไม่สนใจคิดแต่เพียงเพื่อกำลังใจเป็นสำคัญในเวลานั้นและเวลาต่อไปแม้จะตายในเวลานั้นท่านก็พร้อมที่จะยอมสละได้เพราะความเชื่อทำมากกว่าความกลัวตายดังนั้นท่านภูมมุ่งต่ออทำอย่างแท้จริงจึงชอบสแสวงหาสถานที่และวิธีฝึกตนด้วยวบายต่างๆอย่างไม่ลดละเพราะท่านเห็นผลจากสถานที่และวิธีนั้นนั้นประจักษ์ใจเสมอมาราวข่าวว่าลงทุนน้อยแต่ได้กาไรมาก ซึ่งเป็นที่น่าปลื้มใจและควรทำอยู่เสมอไม่เกียดคร้านรําคาญใจทั้งตัดปัญหาความสงสัยในสิ่งที่ทำว่าจะเกิดผลหรือไม่เสียได้เพราะการทานั้นยังผลให้เห็นอยมพทันตาไปทุกประโยคแห่งความเพียรการออกไปนั่งภาวนาอยู่หน้าธรรก็ดีการไปเที่ยวนั่งภาวนาอยู่ตามหินดานบนเขาก็าดีการเดินเที่ยวกรรมาฐานกลางคืนเพื่อพบกับเสือก็ดี การไปนั่งภาวนาอยู่ทางที่เสือเคยผ่านไปมาก็ดีการเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาแข่งเสียงเสือกระเขมอยู่รอบๆบ ร, ริเวณที่พักก็ดีสรุปแล้วมีความหมายเพื่อจะช่วยให้จิตรวมลงสู่ความสงบรวดเร็วกว่าธรรมดาที่ควรเป็นหรือเพื่อเกิดปัญญาในการพิจารณาสัตว์ ร, ร้ายเป็นธรรมะเพื่อปล่อยวางอุปาทานความยึดถือความเป็นความตายท่าความอาไลอาวอ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจิตให้สิ้นไปโดยลําดับนั่นแหละ ไม่ใช่เพื่อทำลายตัวเองแต่อย่างใดท่านผู้หวังพ้นทุกข์ทั้งมวลอย่างถึงใจมีความเกิดตายเป็นต้นโดยมากท่านคิดและทำกันอย่างนั้นทางนั้นแม้พระพุทธเจ้าองค์เอกของโลกทั้งสามก็ทรงบำเพ็ญ ว, วิธีสละพระชนชีพด้วยการอดพระกยาหารไม่สวยอะไรเลยได้4ี่้าวันซึ่งเป็นวิธีที่ใกล้เคียงกันคือเป็นวิธีที่เด็ดเดียวอาถารเพื่อใช้ชนะฆ่าศึกศัตรูภายในเมื่อทรงเห็นว่า เม่ใช่ทางจึงทรงอแล้วทรงกลับมาตั้งสัตยาธิษฐานปฏิญญาณพระองค์ว่าจะประทับนั่งเจริญอานาปานสติกรรมฐานจนได้ตรัสรู้ธรรมตามพระไัยหมายหากยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมสมพระประสงค์เมื่อไรก็เป็นอันทรงถวายพระชนชีพกับที่ประทับภาวนานั้นโดยไม่เสด็จไปที่ไหนไหนอีกเลยนี่แสดงว่าทางไม่ได้ตรัสรู้ธรรมจริงๆในที่ประทับนั่งเจริญอานาปานสติใต้ร่มมหาโพนั้น ก็ต้องเป็นพระอิรยาบทสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระองค์ในที่แห่งเดียวกันโดยโดยแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นคิดดูท่านผู้เป็นตัวอย่างอันดีเลิศของโลกไม่ว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์หรือท่านนักปฏิบัติธรรมทั่วๆไปทำสิ่งใดเป็นสิ่งที่สะดุดใจผิดธรรมดาสามัญอยู่มากและประทับใจไม่มีวันลบเลือนที่พระธุรงกรรมฐานบาเพ็ญเพียรและฝึกอบรมตนด้วยวิธีต่างๆตามจริตนสิสัย และความสามารถของตนแต่ละรายจึงไม่ได้เป็นการโลดผลหรือใกล้ต่อความโอ้อวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าครูหรือกว่าใครแต่อย่างใดเพราะเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อหวังทำของพระพุทธเจ้านาำตนให้พ้นทุกข์ด้วยวิธีนั้นๆจึงได้พยายามตะเกียกตะกายตามกําลังความสามารถและยังไม่เท่าผงธุลีที่ฟาพระบาทของพระพุทธองค์ที่หลุดออกในเวลาที่ทรงประกอบความเพียรด้วยความสละตายเลย เพียงเท่านี้จะสำคัญว่าตนมีความเพียรเก่ยงยิ่งกว่าครูได้อย่างไรและจะเข้าใจว่าทำเพื่ออวดโลกได้อย่างไรเมื่อความเพียรยังไม่เท่าขีพงที่ฟ้าพระบาทของพระพุทธเจ้าเลยเมื่อคิดถึงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมากับปฏิปทาของพวกเราซึ่งคอยแต่จะล้มเหลวทำความเพียรเพียงเล็กน้อยกลัวแต่จะอิ่งกว่าครูคือศาสดาจึงหน้าอับอายขายหน้าตัวเองยิ่งกว่าขายอะไร ผู้เขียนยิ่งตัวเก่งที่กลัวแบบนี้แต่แบบอื่นที่ไม่ดีไม่เป็นท่าไม่เห็นกลัวมันอย่างนี้แลใจสามันชนมันชนด่าไปถ้าเป็นสิ่งที่ปราท่านตำหนิไม่อยากให้ชนแต่สิ่งท่านประสงค์อยากให้ชนแต่กลับปรบหน้าไม่รล้าชนคิดแล้วโมโหตัวเองที่เก่งไม่เข้าเรื่องกรุณาท่านผู้อ่าน่าถือเป็นตัวอย่างจะกลายเป็นคนไม่เข้าท่าอีกหลายคนพระทุดงที่ท่านหาอุบายทรมาน ตัวด้วยวิธีต่างๆกันดังที่กล่าวมานี้เคยเป็นมาแต่เริ่มแรกที่ได้รับการอบรมจากท่านอาจารย์มั่นสมัยท่านยังเป็นหนุ่มทำการสั่งสอนเรื่อยมาจนทุกวันนี้มิได้ลดละปล่อยวางโดยถือเป็นมรดกที่ท่านมอบให้ด้วยความเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจต่างท่านจึงได้พยายามประครับประคองมาด้วยความครบรเชื่อถือว่าเป็นปฏิปทาที่ท่านเคยปฏิบัติและได้ผลเป็นที่พึงใจมาแล้ว จึงได้ ก, กลั่นกรองเอาแต่ยอดปฏิบัติาย่างเด็ดๆเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนออกมาแสดงเพื่อท่านผู้ตั้งใจในธรรมอย่างยิ่งจะได้ยึดเป็นอุบายเครื่องพร่ำสอนและฝึกฝนทรมานตนต่อไปสมัยท่านเป็นหนุ่มทราบว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดี่ยวมากการสั่งสอนก็เผ็ดร้อนมากพร้อมทั้งประจิตวิชาคือรู้วราระจิตของผู้อื่นด้วยแม้แต่ท่านมีอายุมากอย่างเข้า72ปี ซึ่งเป็นระยะที่ผู้เขียนประอปรมกับท่านยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่เลยไปอยู่แล้ฟังท่านอบรมทีแรกแทบตั้งตัวไม่ติดเพราะกลัวมากแต่เคารพเลื่อมใสายท่านมากยอมจะนนต่อความจริงทุกขั้นที่ท่านแสดงออกทุกระยะหาที่ค้านไม่ได้เวลาท่านแสดงธรรมเกี่ยวกับวิธีทรมานใจนั้นยิ่งน่ากลัวมากทั้งเสียงก็ดังและกังวาลทั้งมือก็ชี้ด้ว่าโน้น น, น่ะป่าโน้น น, น่ะเขา อันเป็นที่เหมาะกับจิตดวงดิ้นรนกวาดแกงทรมานยากอย่ามัวมามั่วสมอยู่กับมู่กับเพื่อนอย่างนี้ผู้ปฏิบัติต้องรู้จักนิสัยของตัวรู้วิธีการทรมานตัวถ้าไม่รู้นิสัยของตัวแม้ทําความเพียรไปจนถึงวันตายก็มันได้รับผลเท่าที่ควรเวลาใจดือ้อต้องเด็ดทางความเพียรและทรมานให้หนักมือใครกลัวเสือให้เข้าไปอยู่ในป่าในเขากับเสือใครกลัวผีให้เข้าไปอยู่ในป่าช้ากับผีตายชนิดต่างๆ จนใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับผีแล้วนั่นแหละจึงจะเรียกว่าจิตยอมตัวต่อการทรมานผู้ที่อยู่ในป่าถ้าใจยังไม่กล้าต่อเสริมอะไรอย่ายอมออกมาจากป่าผู้ที่กลัวผีถรายยังไม่กล้าต่อผีก็มายอมออกจากป่าช้าจงถือเอาป่าและเขาเป็นเรือนตายสําหรับผู้กลัวเสือและถือเอาป่าช้าเป็นเรือนตายสําหรับผู้กลัวผีถ้ายังไม่หายกลัวในสิ่งที่เคยกลัวอย่าออกมาให้ความกลัวมันหัวเราะเย่อหยัน จะอยายตัวเองไปตลอดบันดายไม่มีทางแก้ตัวให้หายได้ถ้าเห็นแก่ตัวและพระศาสนาด้วยใจยจริงแล้วอย่ายอมให้ความกลัต่างๆขึ้นนอนขับถ่ายอะไรๆลงลดหัวใจได้รีบว่ามันลงมาเยยบย่ำทำลายด้วยความเพียรที่เต็มไว้ด้วยความทรหดอดทนใครกลัวตายคนนั้นจะได้แต่ความตายติดตัวภายในภพชาติต่างๆไม่มีวันจบสิน้นใครกลัเสือ ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่ภาพเสือมาหลอกให้กลัวอยู่ตลอดไปใครกลัวผีก็เช่นกันไปอยู่ที่ไหนจะมีแต่ภาพผีลักษณะต่างๆมาหลอกจนถึงกับอยู่กินหลับนอนไม่ได้แม้ใปไม้ร่วงจากกิ่งตกลงมาก็จะคิดหลอกตัวเองว่าเป็นผีมาหลอกอยู่ร่ำไปเราเป็นคนไม่จริงและขี้ขลาดหวาดกลัวเสียคนเดียวไปที่ไหนอยู่ที่ใดก็ต้องพบแต่ความขี้ขลาดหวาดระแวงด้วยความกลัวที่จิตคิดปรุงขึ้นหลอกตัวเองอยู่นั่นแหละ ไม่พบของจริงได้เลยแม้แต่น้อยใจจะกลัวถึงขนาดไหนต้องเรียนให้ถึงความกลัวด้วยวิธีทดสอบทรมานกันให้ถึงความจริงของความกลัวกลัวเสือก็เรียนให้รู้ถึงความกลัวเสือด้วยสติปัญญามีความทรหดอดทนเป็นเครื่องหนุนหลังจนเกิดความกล้าหาญและโดดเข้าหาเสือได้โดยเสือไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวผีก็เรียนให้รู้เรื่องความกลัวของตัวและรู้เรื่องผีว่า อะไรเป็นผีกันแน่ถ้าไม่ใช่หัวใจตัวเองเป็นผีคิดหลอกตัวให้กลัวต่างหากเท่านั้นไม่มีอะไรมาหลอกผีก็อยู่กับผีเราก็อยู่กับเราไม่เห็นยุ่งกันถ้าพิจารณาโดยตลอดทั่วถึงแล้วจงอยู่ให้เป็นสุขอย่าลุกลิกทางใจดูสิจะเป็นสุขไหมทําไมนักปฏิบัติจึงไม่รู้จิตหลอกตัวเองแล้วจะไปรู้อัตรู้ทํามได้อย่างไรกันผมก็เคยปฏิบัติมานานพอสมควรได้ 40- ถึงห้าสิบ ปีกว่าแล้วกลัวก็เคยกลัวกล้าก็เคยกล้ารักก็เคยรักชังก็เคยชังเกลียดก็เคยเกลียดโกรธก็เคยโกรธเพราะหัวใจมีไม่ใช่คนตายพระตายแต่ก็พยายามทรมานตนเต็มความสามารถไม่ท้อถอยตลอดมาสิ่งเหล่านี้ที่เคยมีอำนาจก็ทลายลงด้วยอำนาจความเพียงของผู้กล้าตายไม่มีอะไรไมาแอบซ่อนอยู่ในใจได้อยู่ที่ไหนก็สบายหายกางังวล ไม่มีอะไรมาก่อกวนให้หลงกลัวหลงกล้าหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธอันเป็นเรื่องไฟกิเลสทั้งกองเผาใจดังที่เคยเป็นที่กล่าวมานี้จะเพราะเหตุอะไรถ้าไม่ใช่เพราะการฝึกทรมานใจให้อยู่ใต้อำนาจแห่งเหตุผลคืออธรรมทุกท่านที่มาอบรมต้องการอยากให้กิเลสชนิดต่างๆหมดไปด้วยวิธีใดถ้าไม่ใช่ด้วยการฝึกทรมานตนด้วยความเพียรดังกล่าวมา ทางสิ่งกิเลสทั้งหลายมีความกลัวเป็นต้นก็มีทางเดียวเท่านี้คือต้องฝึกต้องทรมานใจดวงกําลังขนองโลดเต้นเพ่นพยองไปตามอารมณ์ที่ตัวคิดปรุงขึ้นหลองตัวเองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านผนทุกทั้งมวลได้ด้วยการฝึกทรมานใจทางเดียวเท่านี้ไม่มีทางที่จะพอเด็ดรอดไปได้นอกจากทางนี้ทางเดียวส่วนจะคอยให้ความกลัว ความขี้เกียจอ่อนแอเป็นผู้บุกเบิกทางเพื่อผลทุกนั้นอย่าพากันหวังเดี๋ยวจะตายเปล่าและเน่าเฟะเปื่อยเปลืน่นศาสนาให้เหม็นไปด้วยอย่าพากาันสงสัยไปนานจะเสียการเวลาไปเปลา่าทมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำรูปคลำและหลอกลวงถ้าใครเชื่อตามเหตุผลที่ประทานไว้และปักใจลงปฏิบัติตามแบบเอาชีวิตชีวาเข้าแหลกไม่เป็นห่วงเสียดายว่าทำจะพาไปล่มจมปนปี้ มีแต่ตั้งหน้าปฏิบัติกรรมจัดสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกทำการกีดกวางใจมีความกลัวเป็นต้นผู้นั้นจะถึงฝั่งแห่งความกเกษมในไม่ช้าการฝึกฝนท ร, รมานตนด้วยธรรมนี่แหละคือทางพ้นทุกโดยถ่ายเดียวไม่เป็นอื่นจะนับประสาอะไรกับสถานที่ที่พระขี้คลาดไปอยู่และบนว่ากลัวว่ากลัวกันทั้งที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาถือเป็นธรรมดาไม่ได้กลัวส่วนสถานที่บางแห่งที่ผมไปอยู่บำเพ็ญ ชาวบ้านเขากลัวกันทั้งบ้านไม่อยากให้ผมอยู่ที่นั่นกลัวเสือจะมาเอาผมไปกินผมเองไม่เห็นสนใจกับเสือและชาวบ้านที่มาพูดให้ฟังว่าเสือดุเลยที่ไม่สนใจนั้นไม่ใช่อวดเก่งไม่กลัวเสือที่เป็นสัตว์หน้ากลัวของโลกเขาผมก็กลัวเหมือนกันแต่ไม่ได้กลัวแบบหมอปราบดังพระขี้ขาดกลัวกันหากกลัวแบบนักสู้ว่าที่นี่แลเป็นที่มีภัยรอบด้านและต้องเป็นสถานที่สําคัญในการมาเพลิสําหรับเราด้วย จะเป็นหรือตายเรามออไว้กับกรรมซึ่งเป็นคติธรรมดาถ้าเสือไม่มีเนื้อจะกินหรือเห็นว่าเนื้อพระหอมมีรสอร่อยขวาอาหารที่มันเคยกินมาเป็นประจำมันต้องการก็มอบให้มันไปแต่เราต้องยึดธรรมคือความกล้าหารความเสียสละเพื่อทำไวมายอมปล่อยวางกระทั่งสิ้นลมหายใจจะสมศักดิ์ศรีของพระกรรมฐานผู้สแสวงธรรมด้วยความเชื่อบุญเชื่อกรรมจริงและเทิดเกียรติพระศาสนาไว ตัดสินใจโปรงไว้กับธรรมทุกอย่างแล้วก็เร่งความเพียรทางใจไม่มีลดละท้อถอยได้ยินเสียงเสือกระหึ่มไปมาแถวบริเวณใกล้เคียงเท่าไหรใจยิ่งประวัติสัมผัสกับธรรมหนักเข้าประหนึ่งใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งเวลาเข้าสู่สงครามระหว่างเสือกับธรรมที่เรามุ่งมั่นก็ยิ่งเห็นความอัศจรรย์ของใจของธรรมเกินกว่าจะนำเรื่องเสือมาคิดให้เสียเวลาเหมือนเด็กไม่มีความคิดอ่านก็เอามือไปจับไฟเล่น ให้ไฟไหม้มือเอาคนที่ขี้คลาดหาทางออกไม่ได้ก็นำเรื่องเสือเรื่องผีมาคิดแล้วก็นำความกลัวมาเผาใจตัวเองโดยไม่รู้จักวิธีแก้ไขเช่นเดียวกับเด็กเล่นไฟฉะนั้นบางครั้งการปฏิบัติทั้งภายในภายนอกมันเกิดขัดข้องตามตามกันมาถ้าใจไม่กล้าหารจริงๆต้องล้มละลายแบบไม่เป็นท่าคือทางใจก็ยุ่งและติดปัญหาตัวเองแก้ไม่ตกเมื่อไรกองทุกข์ก็สมกันเข้ามา จนกว่าแก้ตกไปเป็นตอนๆความสบายใจจึงเกิดมีขึ้นมาเป็นพั ก, พกทางกายก็เกิดเจ็บาไา้ใดทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของใจผู้รับผิดชอบกอบกู้จะต้องพิจารณาวินิจฉัยและรักษากันไปตามเหตุการณ์บางสถานที่อากาศทึบมากจนแทบหายใจไม่ออกก็ต้องกระทบกระเทือนร่างกายจิตใจต้องทนอยู่ไปจนกว่าจะสแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมกว่านั้นได้ก็ต้องทนทุกข์ไปหลายวัน สมัยที่ผมกับท่านอาจารย์เสาวออกปฏิบัติที่แรกโนนใครจะไปรู้ว่ากรรมฐานเป็นอย่างไรความอดอยากกันดานทั้งหลายจึงรวมลงในตัวเราผู้เป็นนักต่อสู้นั่นและผู้คนเขาไม่ได้สนใจเหมือนทุกวันนี้พระอยู่กันอย่างไรหลับนอนกันอย่างไรโขบฉันกันอย่างไรใช้ส้อยอะไรกันบ้างไม่มีใครเขาสนใจหรอกอย่าเข้าใจว่าที่มาเป็นอาจารย์คนอยู่เวลานี้ได้รับความสะดวกและสมบูรณ์พูนผลมาเป็นลาดับ ความจริงแล้วต้องะเียกตะกายปฏิบัติมาด้วยความทุกข์ยากลําบากแทบเป็นแทบตายเรื่อยมาการฉันก็ฉันแต่ข้าวเปล่าเปล่านั่นแหลมากกว่าจะได้ฉันกับพริกกับปลาดังชาวบ้านเขารับประทานกันชาวบ้านเขาก็มีไม่ขาดเขินในบรรดาอาหารที่เขาเคยรับประทานกันแต่เขาไม่เข้าใจว่าพระกรรมฐานท่านฉันกันอย่างไรย่างมากเขาก็เอากล้วยใส่ให้เสียใบซองใบเพราะเป็นประเพณีของการตักบาตรบ้าง นานวันถึงจะมีหอพริกหอเกลือบ้างบางทีเขาก็ตำพริกใส่ปลาล่าดิบเมื่อมาถึงที่พักแก้ออกดูทราบแล้วก็นำออกเสียฉันไม่ได้เพราะไม่มีโยมติดตามพอจะใช้สอยเขาไปทำให้สุกได้โดยมากความเป็นมาของพระกรรมฐานในยุคนั้นเป็นมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนโ น, น่นอยู่นานๆไปจนรู้นิสัยของเขาของเราดีแล้วเ ข, เขามาถามจึงพอรู้เรื่องกันบ้าง จากนั้นก็ไปเที่ยวความเพลงนที่อื่นต่อไปอีกตามอัธยาศัยที่เห็นว่าจะเป็นความสะดวกตอนไปพักอยู่ใหม่ๆก็เอาอีกเช่นที่เคยเป็นม า, มาแล้วนั่นแหละที่พักที่หลับนอนก็จำต้องปล่อยตามความจำเป็นดังที่เคยพบมาแล้วในที่นั้ น, น, นถ้าเป็นหน้าแรงก็พอสะดวกบ้างเที่ยวหาย่ายแห้งใบไม้แห้งมาปูที่นอนพอสุกหัวลงนอนหลับพักผ่อนได้เป็นพักๆบางบ้านผู้คนก็ดีอยู่บ้าง พอเห็นพระไปพักแถวใกล้บ้านก็พากันออกมาไต่ถามความทุกข์สุขติดและถามถึงความประสงค์ว่าจะไปไหนมาไหนกันมีความประสงค์อะไรจะพักอยู่ที่นี่นานเท่าไรเราก็พอพูดและบอกความประสงค์ให้เขาทราบได้บ้างเขาก็พร้อมกันมาจัดที่พักให้พอได้บางแดดบางลมบ้างทำแคร่ที่พักหลับนอนให้บ้างทำทางจงกรมให้บ้างพอเป็นความสะดวกแก่การบาเพ็ญไม่ว่าที่ไหนโดยมากถ้าพักอยู่นานนไป เขามาทำที่พักอาศัยและอื่นๆให้จนเกิดความเชื่อเรื่อมสายจริงๆถึงคราวจะจากไปก็ไม่อยากให้จากบนอะไรเสียดายแต่เราก็มีความจำเป็นสาหรับตัวเป็นประจำจึงต้องเที่ยวบาเพ็ญไปเรื่อยๆเพราะการอยู่ประจำในที่แห่งเดียวก็ไม่ดีนักความเพียรไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าทีคคาคาาาท่ควรการอยู่บ้างไปบ้างเป็นการปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอนั้นรู้สึกว่าดีสาหรับนิสัยผมความเพียรก็ก้าวหน้า การไปเที่ยวทุ่วดงในที่ต่างๆโดยไม่มีจุดหมายป้ายบอกจำกัดสถานที่และเวลาเป็นเครื่องผูกมัดตัวเองมันเป็นความสะดวกใจสำหรับผมส่วนผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าเพื่อความไม่ผรุงพลังแล้วก็ควรจะเหมือนกันไปเรื่อยอยู่เรื่อยตามสถานที่ที่เห็นว่าเหมาะแก่การบาเพ็ญไม่เป็นอารมณ์ห่วงใ ย, ยกับอะไรมีตัวคนเดียวเป็นความรับผิดชอบกายชีวิตลมหายใจอยู่กับตัวการปฏิบัติอยู่กับตัว แม้มากพลนิพานที่จะพึงได้พึงถึงก็อยู่กับข้อปฏิบัติบําเพ็ญของตัวเป็นผู้จะทําให้เกิดให้มีขึ้นการไปการอยู่การบําเพ็ญเพื่อทําดังกล่าวจึงขึ้นอยู่กับเราจะแสวงหาให้เหมาะสมกับตัวที่ควรได้ควรถึงทำที่มุ่งหวังอยู่ทุกลมหายใจเมื่อแน่ใจว่าทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเราจะทําให้เหมาะสมแล้วที่ใดเหมาะสมการบําเพ็ญหรือการฝึกทรมานอย่างไรเหมาะสมกับภาวะของตัวแม้จะไม่อยาก ไปก็จำต้องไปไม่อยากอยู่ก็จำต้องอยู่มาอยากบำเพ็ญเพราะเห็นว่าลำบากก็จำต้องบำเพ็ญมาอยากทรมานในเวลาที่ควรทรมานก็จำต้องทรมานแม้ไม่อยากอดอยากขาดแคลนกันดานด้วยปัจจัยสี่ก็จำต้องขาดแคลนเพราะอยากเป็นคนดีอยากรู้อยากเห็นทำและอยากพ้นทุกข์ถ้าจะเอากิเลสออกหน้าให้มันพาดําเนินก็อย่างที่เห็นเนกันนั่นแลเมื่อกี่นี้ก็พูดกันเรื่องความกลัว อยากอยู่ในที่เปลวเพราะกลัวเสือเป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเนียวร่างไวไม่อยากให้ไปในที่ที่ควรเป็นสถานที่บําเพ็ญตามเยี่ยงอย่างอาริยะประเพณีท่านพาดำเนินและข่ากิเลสประเภทเหล่านี้มาแล้วแต่อยากพาเข้าไปอยู่ในที่ชุมนุมชนคนน า, นานแน่นเช่นที่สนุกสนาน ร, รื่นเริงโรงลีเกละครที่ขับกล่อมบําเรอต่างๆอะไรเหล่านี้นี่แลเรื่องกิเลสนําหน้า มันตวัดใจคนออกจากศีลจากทําได้อย่างง่ายดายและตะวัดใจพระกรรมฐานให้ออกจากป่าอันเป็นสถานที่บำเพ็ญหรือไม่ให้เข้าป่าเพราะรูเสือเป็นต้นแล้วต้อนเข้าสู่้อกสู่โรงอะไรตามชอบใจของมันจากนั้นก็เสร็จให้มันไปเลยผลที่กิเลสเป็นผู้นำก็เห็นกันประจักษ์ตลอดมาเป็นความประทับใจดังที่กล่าวมาผมจึงได้พยายามฝืนพยายามบึกบึน และฝืนกิเลสตัวที่คอยร้อยหัวใจเราอยู่ทุกเวลาที่ได้โอกาสไปตามสถานที่ที่โลกเขาไม่อยากไปกิเลสไม่ชอบไปทำสิ่งที่โลกไม่อยากทำกิเลสไม่อยากทำและทรมานใจที่โลกรักสงวนกิเลสก็ชอบไม่อยากให้ทรมานเรื่อยมาโดยอาศัยการที่กรรมฐานไปตามสถานที่ต่างๆตามอัธยาศาัยที่เห็นว่าถูกทำอำนวยผลเป็นความสงบเย็นใจและความฉลาดแยบคลายพอ รู้เข้าโครงของกองทัพใหญ่และทัพย่อยของกิเลสอันแท้จริงมันตั้งอยู่ที่ไหนกันแน่เรื่อยมาจนสติปัญญากล้วกล้าสามารถทานกับมันและห้ามหันกันแบบใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบรลัยไม่มีการอ่อนข้อย่อย่อนต่อกันเลยทางนี้ส่วนใหญ่ของภาคอุดหนุนความเพียรก็คือการเที่ยวไปและสถานที่ดังกล่าวแล้วเป็นสาคัญที่จะมองข้ามไม่ได้เลยผมชมเชยและเทิดทูเสมอ สำหรับท่านที่พยายามดำเนินดังกล่าวมาเพราะเป็นทางตรงแนวต่อมาผลนิพานอยู่ทุกสมัยแต่ผู้ที่พอจะเข้าป่าบ้างมีแต่เสือจะมากินเป็นอาหารนั้นน่าเบื่อและสลดสังเวชใจยอย่างยิ่งทั้งระอาใจในการสอนเมียอยากสอนให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าประหยัดเวลาและกําลังไว้เพื่อสอนผู้สนใจและเอาจริงเอาจังบ้างทำจะได้เป็นประโยชน์แก่โลกสมกับธรรมเป็นธรรมชาติมีคุณค่ามากพอมองเห็นผู้เข้ามาเพื่อรับการอบรม ที่มีนิสัยอ่อนแอปวกเปียกราวกับกระดูกจะหลุดออกจากร่างทั้งที่ยังมั่นคงแข็งแรงมันรู้สึกสลดใจเหมือนมองเห็นคนป่วยที่มีอาการเพียกเต็มที่ไม่มีทางหายด้วยยาคณะใ ด, ดๆฉะนั้นทําในใจที่เคยให้การอบรมมาเป็นเวลานานนับแต่ออกมาสู่หมู่คณะก็ไม่ทราบวิ่งหลบซ่อนไปอยู่ที่ไหนหมดปรากฏแต่ความรู้เฉยๆซึ่งทําประโยชน์อะไรไม่ได้คิดว่าถามก็คงกลัวอํานาจความอ่อนแอปวกเปียกนั้น เต็มประดาสุดที่จะประคองตัวอยู่ได้จึงพากันวิ่งหนีหมดคิดหาอะไรมาแสดงไม่มีเลยนั่งอั้นตู้ดูใจยอยู่อย่างนั้นแลพูดอะไรไม่ออกทําไมจึงเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นหมอก็าคงหมดปัญญากับคนไข้รายรนั้นนี่ก็หมดปัญญากับโรคอ่อนแอปวกเปียกเกินกว่าจะถูไถกระมังถามจึงหลบซ่อนตัวเสียสิ้นไม่มีอะไรปรากฏพอได้พูดบ้างเลยบรรดาท่านที่มาอบรมอยู่ที่นี่เดี๋ยวพากันคิดบ้างหรือเปล่าว่า โรคขี้กลัวเสือกลัวผีก็เป็นโรคชนิดทำกลัวเช่นกันไม่หานประจันหน้ากับโรคประเภทนี้ได้ถ้าต้องการให้ทำพอมีทางอยู่ได้ไม่หลบซ่อนวิ่งหายไปหมดก็ควรพลิกใจเสียใหม่ใจที่พลิกใหม่นั้นไม่ต้องมากอะไรก็พอจะเห็นคุณและโทษของตัวที่กำลังขี้คลาดอยู่เวลานี้ได้บ้างโดยพลิกว่าเรพาพทธเจ้าและสาวกท่านก็ดีครูอาจารย์ทั้งหลายก็ดีล้วนเป็นนักต่อสู้มาแล้ว อย่างน้อยก็ต้องต่อสู้กับสิ่งที่เรากาลังกลัวอยู่เวลานี้ถ้าความกลัวนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เมื่อฝืนทรมานให้หลุดลอยออกจากใจแล้วผู้นั้นต้องตายแล้วก็ทำไมไม่เห็นท่านที่ฝึกทรมานความกลัวดังที่มีอยู่ในใจเราเวลานี้ออกจากใจแล้วตายกันเสียหมดเล่าแต่เราทำไมจึงกลัวเอานักหนาจะไม่เข้าขั้นบ้ากลัวหรือแล้วหรือเวลานี้แลวก็ไม่มีใครทราบได้ ถ้าไม่ใช่เราทราบเราเองเท่านั้นทีนี้จะปฏิบัติจัดการกับตัวเองอย่างไรดีหรือจะฝืนเป็นคนบ้ากลัวอยู่อย่างนี้ต่อไปหรือหลักฐานพยานก็พอมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกตลอดครูอาจารย์ท่านทั้งหลายเฉพาะ อ, อย่างยิ่งองค์ท่านที่กําลังสั่งสอนเราให้ชาระความกลัวอยู่เวลานี้ท่านไม่ได้ตายเพราะเสือกินท่านเลยแม้องค์ท่านที่ปรินิพานไปแล้วก็ไม่ได้เป็นไปเพราะเสือกินท่าน แต่ท่านปรินิพานเพราะอนิจจาวัฏสร้างฆาราต่างหากส่วนเราทรรมะจึงคิดแต่อย่างเดียวว่าเสือจะเป็นผู้เก็บศพให้เท่านั้นราวกับโลกนี้มีเพียงเสือเป็นผู้คอยเก็บศพมนุษย์โดยทายเดียวทั้งที่ไม่เคยเห็นเสือมาคอยเก็บศพมนุษย์ที่ตายแล้วแม่ตัวเดียวเห็นแต่คนล้ว น, วนมาช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษย์ตัวกันด้วยวิธีต่างๆตลอดการเผาศพเก็บกระดูกมนุษย์ตายแล้วเพียงเท่านี้เข้าใจว่า ความกลัวก็จะเริ่มเตรียมขนครอบครัวผัวเมียลูกเต้าเหล่ากอที่ตั้งรากฐานบ้านเรือนอยู่ในหัวใจอย่างมั่นคงมานานและขยับขยายออกไปด้วยความกลัวตัวสั่นเสียใจเพราะไม่มีทางต่อสู้กับนักรบที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและขนกันออกไปจนหมดสิน้นไม่มีอะไรมาก่อกวนลวนลามให้เกิดความกลัวอีกต่อไปการจาับกิเลสแต่และประเภทออกจากใจทํำไมมีอุบาสติปัญญาเป็นเครื่องมือช่วยปราบปาม เพียงแต่ความโมโหทําท่าขู่ทวารให้กิเลสกลัวควรทราบว่ากิเลสมิใช่สุนัขตัวโง่พอจะวิ่งหัวหมุนให้ผู้คมคูดีใจแต่กิเลสก็คือความฉลาดแหลมคมของฝ่ายต่ําที่ก่อกินอยู่บนหัวใจคนคนหนึ่งนั่นเองยิ่งคมคูโดยไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญาให้มันกลัวบ้างแล้วก็เท่ากับทําให้มันหัวเราะเยาะและสนุกกัดกินกัดกินจนใจไม่เป็นคนต่อไปได้กลายเป็นใจสัตว์ ใจผีใจยากไปหมดนั่นแลอย่าเข้าใจว่ามันจะกลัวอำนาจประปาทัเทือนอย่างนั้นซึ่งอำนาจนั้นก็ได้มาจากมันนั่นเองเป็นผู้หยิบยื่นให้และนำมาคลัมันมันจึงขบขันและหัวเราะเอาทุกขณะที่ข่มคู่เพราะมันเห็นว่าเราโง่จนไม่ทราบว่าความข่มขูนั้นก็คือตัวกิเลสซึ่งเป็นเรื่องมันดีๆนั่นเองถ้าอยากให้มันกลัวและวิ่งหนีต่อหน้าต่อตาแล้วก็จงดําเนินตามวิธีที่สอนแล้วนั้น คือที่ไหนกลัวยิ่งเข้าไปยิ่งอยู่ยิ่งพิจารณาไม่ลดละความเพียรตายก็มอบถวายพระธรรมไปเลยไม่ห่วงอะไรเสียดายถ้าอย่างนี้มันต้องบ้านแตกสะระขาดแน่แน่พากันวิ่งหนีจนหลงแม่หลงลูกแบบชลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าไฟไหม้เมืองหลวงซะอีกใครไม่เคยเห็นไฟไหม้เมืองหลวงลองดัดสันดานกิเลสด้วยวิธีที่กล่าวมาลองดูจะเห็นกิเลสวิ่งหัวซุกหัวสุนหมุนติ้วลืมเป็นลืมตายออกจากใจ ยิงกว่าไฟไม่บ้านเป็นไหนๆผมเคยทําได้ผลประจักษ์มาแล้วใคยไม่มาโกหกได้จึงกล้าพูดเต็มปากไม่กระดากอายว่าใครจะหัวเราะหรือจะเห็นด้วยเลยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆที่ได้ทํำมาสอนหมู่คณะบ้างตามกําลังก็ได้จากการทำมาอย่างนี้แทบทั้งนั้นจะให้ผมสอนอย่างอื่นที่ไม่เคยทําและไม่เคยเห็นผลมานั้นผมสอนไม่ได้จะเป็นการอุตริกันเล่นและทําคนอื่นให้เสียผมทําไม่ลง ถ้าอย่างที่สอนมานี้ก็ถึงไหนถึงกันเพราะเป็นความแน่วแน่ของตัวเองว่าได้เคยทำมาอย่างนี้และได้เห็นผลมาอย่างนี้จริงๆประจักษ์ใจใครอยากเห็นกิเลสหลุดลอยออกจากใจก็ควรพยายามทำตามแบบที่สอนมานี้ใครอยากเห็นกิเลสขนลูกล้าและทัพปสัมภาระต่างๆมาตั้งบ้านเรือนและที่ทำงานตลอดที่ขับทายต่างๆบนหัวใจแล้วก็ดำเนินแบบวิธีหมอปราบหมอคาบกิเลสตัวใดกระดิกตัวออกมาิศ ก็มอดราบทําความเคารพมันผู้นั้นก็จะเป็นเจ้าของแห่งภพชาติคือความเกิดตายเกิดตายอยู่ประจําวัตวนไม่ต้องหนีพ้นมันไปไหนได้ตลอดอนันตการเพราะทางเดินของกิเลสและผู้สังสมกิเลสก็คือเรื่องเกิดตายเท่านั้นซึ่งผิดกับทางเดินของธรรมและผู้สังสมธรรมเพื่อตัดกิเลสวัตตะออกจากใจไปทุกประโยชน์แห่งความเพียรเพียรไม่หยุดรุดหน้าสู้แบบกล้าตายแม้ใจที่เคยอ่อนแอมาก็กล้าแข็งได้จนกลายเป็นใจวิวัตตะ ในคนผู้เป็นนักสู้นั้นเมื่อใจกลายเป็นวิวัตะแล้วเรื่องกิเลสชนิดต่างๆไม่ต้องกล่าวถึงมันก็ได้หายซากไปหมดนี่พวกเราจะเอาอย่างไรดีจะเป็นนักต่อสู้เพื่อเกิดตายหรือจะเป็นนักต่อสู้เพื่อหรือพบรือชาติฝังเชื้ออยู่ในใจของพวกเราทุกคนให้สิ้นไปรีบวินิจฉัยตัวแต่บัดนี้อย่าเนิ่นนานอยาเข้าใจว่าลมหายใจะจะยืดยาวเหมือนสายไฟฟ้าแต่ความสั้นยาวของมัน เพียงขนาดที่สูบเข้าสูบออกแค่ปอดมาจมูกนี้เท่านั้นอย่าพากันหลงหลงว่าเป็นของยืดยาวเลยที่เขียนผ่านมานี้เป็นโอวาทที่ท่านอบรมพระปฏิบัติในวรระต่างๆเวลาท่านแสดงเพื่อปลุกใจให้เกิดความกล้าหาญเรื่นเริงในธรรมปฏิบัติเนื้อธรรมรู้สึกว่าเข้มข้นมากผิดธรรมดาผู้ไม่เคยได้ยินแทนที่ใจจะสงบในเวลาฟังเท่าที่ควรจะเป็นแต่กลับกลัวจนตัวสั่นไปก็มี เข้าใจว่าท่านดูดาคูเค็นความจริงเป็นวิธีการแสดงธรรมที่เหมาะแก่การสถานที่และบุคคลที่รับฟังในขณะนั้นเท่านั้นไม่ได้มีความโกรธควา ม, มโมโหแฝงออกมาด้วยเลยแต่ท่านที่เคยฟังแล้วยิ่งได้ยินท่านเร่งเนื้อธรรมและความเข้มข้นมากขึ้นเพียงไรจะยิ่งเกิดความสงบเย็นมากเพียงนั้นเรากับท่านช่วยสับช่วยฟันกิเลสภายในให้ขาดเป็นชิ้นเป็นอัน ออกจากใจให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะฟังด้วยเหตุนี้พระปฏิบัติจึงสนใจต่อการฟังกับครูอาจารย์ที่ตนเคารพนับถือมันมีวันอิ่มพอตลอดมาจนทุกวันนี้การแสดงธรรมภาคต่างๆแก่ผู้มาอบรมศึกษาตามการนั้นคณะกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นถือเป็นประเพณีสำคัญสืบท อ, อดกันมาทั้งฝ่ายคณอาจารย์และคณะปฏิบัติผู้มาอาศัยมิได้ขาดเพราะการแสดงธรรม ภาคปฏิบัติขั้นต่างๆนับแต่สมาธิอย่างอ่อนถึงสมาธิเต็มภูมิและปัญญาอย่างอ่อนถึงปัญญาอันละเอียดที่สุดเป็นการแสดงแผนที่การดําเนินทางจิตใจโดยตรงของคณาจารย์ผู้ถอดออกจากความรู้ความเห็นของตนจากภาคปฏิบัติจริงๆเพื่อผู้มาอบรมได้ก้าวเดินตามและทดสอบกับใจของตัวว่าผิดแพะแตกต่างกันอย่างไรบ้างเมื่อยังไม่แน่ใจตอนใดก็เรียนถาม เพื่อท่านจะได้อธิบายเพิ่มเติมและแก้ไขในจุดที่เห็นว่ายังบก ค, ครองไม่ปฏิบัติไปแบบสุ่มเดาตามความคิดเห็นของตนโดยลำพังคณะปฏิบัติโดยมากเรียนทำจากอาจารย์โดยตรงนับแต่ขั้นเริ่มต้นฝึกหัดภาวนาถึงขั้นสูงสุดคอยสดับและทดสอบกับครูอาจารย์อยู่เสมอขณะภาวนาเกิดความรู้ความเห็นอย่างไรขึ้นมาบ้างก็มาเล่าถวายท่านเพื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมเสริมต่อสติปัญญาให้เป็นท่าทอด และแก้ไขกันไปเป็นพักๆทั้งสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกโพมเฉพาะสมาธิขั้นต้นก็ยังไม่สูงสําคัญนักจะมีอยู่บ้างก็เป็นบางรายที่มีความรู้แปลกๆเกี่ยวกับสิ่งภายนอกที่อาจารย์จะคอยให้อุบายวิธีปฏิบัติต่อสม า, าธิประเภทนี้เพื่อความถูกต้องต่อไปวิธีปฏิบัติต่อสมาธิของแต่ละรายค่อนยึดหลักการที่เคยปฏิบัติมาแล้วเช่นผู้มีความสงบได้ด้วยธรรม มีอาณาปานาสติเป็นต้นก็ยึดธรรมนั้นปฏิบัติต่อไปเป็นลําดับไม่ลดละปล่อยวางผลปรากฏมีข้อแปลกต่างอย่างไรบ้างก็มาเล่าถวายอาจารย์เพื่อท่านจะได้ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจและปฏิบัติต่อไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดพลาดส่วนปัญญาเป็นสิ่งที่จะต้องทดสอบปัจจุบัเสมอระหว่างผู้ปฏิบัติกับอาจารย์เพราะเป็นเรื่องสลับซับซ้อนอยู่มากเป็นพิเศษแต่จะอธิบายข้างหน้าเมื่อถึงวาระ พระธุดงค์สายท่านอาจารย์มั่นท่านถืออาจารย์และเคารพอาจารย์มากเป็นชีวิตจิตใจจริจรจรงๆเพราะเรียนทำจากใจอาจารย์มาเป็นธรรมของตนหรือจะเรียกว่าถอดจากใจหนึ่งไปสู่อีกใจหนึ่งก็ไม่น่าจะบิดเพราะเรื่องเป็นอย่างนั้นเมื่อพระปฏิบัติมาอยู่รวมในสำนักอาจารย์เดียวกันต้องมีการประชุมอบรมและปรึกษาหารือ ก, กันเสมอผู้มีปัญหาเฉพาะตนก็เรียนศึกษาอาจารย์ตามจุดที่สงสัยในโอกาสอันควร เมื่อท่านชี้แจงให้ฟังเป็นที่เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติพยายามทําความรู้ความเห็นและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนําแล้วถ้ามีข้อข้องใจในเวลาต่อไปก็เรียนศึกษาท่านอีกนักปฏิบัติรูปอื่นก็ปฏิบัติโดยทํานองเดียวกันในเวลาเกิดข้อขุ่นใจขึ้นมาไม่ให้เกี่ยวความสงสัยนั้นๆหมักผมเอาไว้ซึ่งเป็นการชากักช้าต่อทางดําเนินหรืออาจเป็นภัยแก่ตนเองได้เพราะเป็นทางไม่เคยเดิน ซึ่งอาจมีผิดพลาดได้โดยเจ้าตัวไม่รู้คณะปฏิบัติท่านถือกันอย่างนี้ใครมีอะไรก็เปิดเผยต่อครูอาจารย์หรือหมู่เพื่อนที่เห็นว่าจะพอแก้ไขความสงสัยได้ในวงปฏิบัติท่านอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึ่งกันจริงๆไม่สักแต่อยู่ความเกี่ยวเนื่องในการเป็นอยู่ระหว่างกันและกันท่านมีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกต่อกันมากนับแต่อาจารย์ลงมาถึงเพื่อนพรหมจันทร์ด้วยกันมีความครบรักกันมาก เมื่อมีสิ่งจะควรปรึกษาปรารบกันต่างหวังความรู้ความเข้าใจต่อกันจริงๆโดยไม่มีทิฏฐิมานะใดๆแฝงอยู่การอยู่ร่วมกันจึงเป็นความร่มเย็นผาสุขไม่ค่อยมีเรื่องราวเกิดขึ้นในวงปฏิบัติความพร้อมเพียงสามัคคีกันความเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่กันด้วยสังคาวัตถุและอัธรรมต่างๆความยอมตนต่อกันนับว่าท่านปฏิบัติได้ดีเป็นที่น่าลืมใส ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยมีความเคารพกันตามอายุพรรษาและคุณธรรมไม่มีอาการจองหองผองตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตอนเกียมตัวอันเป็นมัญญา ด, ดีงามต่อการเป็นนิสัยอยู่ร่วมกันด้วยความหวังพึงสุขพึงทุกข์พึงเป็นพึงตายจริงจริงประหนึ่งเป็นอวัยวะอันเดียวกันปัจจัยสีที่เกิดมีขึ้นมากน้อยภายในวัดท่านจัดการเฉลี่ยเผื่อแพลให้ทั่วถึงพระภิกษุสามนเณรทั่วทั้งวัด นอกจากสิ่งของมีน้อยไม่สามารถแจกจ่ายให้ทั่วถึงก็แจกให้เฉพาะท่านที่จําเป็นไปก่อนเมื่อเกิดมีขึ้นทีหลังค่อยพิจารณากันต่อไปตามความจําเป็นของผู้ที่จะควรได้รับก่อนและหลังและพยายามแจกจ่ายให้ทั่วถึงตามปัจจัยสี่มีมากน้อยสิ่งของที่มีผู้ถวายพระเทระที่เป็นหัวหน้าจะต้องเรียกพระในวัดมาจัดการแจกแบ่งให้ทั่วถึงพระเนนด้วยใจยเมตตาราวกับเป็นลูกในหัวอกของท่านเองจริงๆ ความรักสงสารพระเนรตลอดการวางตัวท่านทําเหมือนพ่อแม่กับลูกปฏิบัติต่อกันเป็นแต่ท่านไม่นํากิริยาโลกของพ่อแม่กับลูกที่อาจมีการหยอกเล่นกันตามประษาของความรักสงสารกันมาใช้ในวงศาสนาเท่านั้นการดูแลส่อส่องมัญญาติอัตยาศัยของพระเนรในปกครองและการแนะนําสั่งสอนตักเตือนว่ากล่าวท่านถือเป็นกิจสําคัญประจําหน้าที่มาให้บกพร่องตลอดไป แม้พระเนรในปกครองก็กลัวอาจารย์มากเคารพมากรักมากเลื่อมใสามากพอๆกันทางฝ่ายอาจารย์ก็เมตตารักสงวนมากเช่นกันใครผิดต้องเรียกมาว่ากล่าวสั่งสอนและดูดา่าโดยไม่มีการเกรงใจใดๆเลยเพราะถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างสนิทชนิดแยกไม่ออกด้วยกันทั้งสองฝ่ายการปกครองจึงง่ายเพราะต่างฝ่ายต่างเป็นธรรมด้วยกันการทําผิดด้วยเจตนานั้นคณะปฏิบัติถือกันมาก แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจครูอาจารย์และหมู่เพื่อนเลยนอกจากระบายรายนั้นออกเสียหมู่คณะจึงจะมีความสงบสุขที่ท่านแสดงความรกเกตตผู้ทำผิดด้วยเจตนานั้นเป็นความชอบธรรมแล้วเพราะคนเราเมื่อผิดด้วยเจตนาแม้ในเรื่องเพียงเล็กน้อยก็คงเพื่อเรื่องใหญ่ในวาระต่อไปอย่างไม่สงสัยที่ท่านพยายามตัดต้นเพลิงเสียแต่ต้นมือจึงเป็นสามีจกรรที่คนเห็นด้วย การประชุมฟังการอบรมในพรรษาโดยมาก7วันต่อครั้งดังที่เขียนไว้ในประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นวันธรรมดาท่านผู้ใดมีข้อคองใจจะไปเรียนถามท่านก็ได้ตามโอกาสที่ท่านว่างเวลาพักอยู่ในสำนักท่านต่างองค์ต่างหาที่เหมาะสมในปานนอกวัดเป็นที่เดินจงกรมและนั่งสมาธิภาวนาตามอัธยาศัยทั้งกลางวันกลางคืนหลายรายเวลานอกพรรษาท่านชอบออกไปแหวนกด อยู่ห่างๆจากสำนักเพื่อสะดวกแก่ความเพียรแต่เวลาปัดกวาดลานวัดและทำกิจต่างๆตลอดการบินธบาตการขบฉันท่านมารวมกับหมู่คณะเป็นปกติการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาของท่านไม่มีกำหนดเวลาตายตัวว่าต้องทำเวลาใดเท่านั้นพอว่างเมื่ อ, อไรท่านก็ทำของท่านเมื่อนั้นการกำหนดเดินหรือนั่งทางความเพียร น, นานเท่าไหรก็เช่นกันไม่มีกำหนดตายตัว บางองค์ท่านเดินจงกรมแต่หัวค่ำจนสว่างก็มีในบางคืนเดิน 2, 3, 4, สส่ห้าชั่วโมงก็มี 6, 7ชั่วโมงก็มีการนั่งสำหรับผู้ฝึกหัดใหม่นั่งเดราวชั่วโมงและค่อยขยอบขึ้นไปเรื่อยๆตามความชานาญและความสามารถทาง จ, จิตใจผู้ที่เคยนั่งอยู่แล้วก็นั่งได้นานยิ่งจิตมีภูมิสมาธิหรือปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งนั่งได้นานครั้งหนึ่ ง, งตั้ง 3- สชั่วโมงบ้าง5 6ชั่วโมงบ้าง เจ็ดแปดชั่วโมงบ้างนั่งได้ตลอดรุ่งบ้างการเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิภาวนาครั้งละสามสี่หชั่วโมงสำหรับท่านที่เคยทำมาเป็นประจำแล้วท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่มีการเจ็บปวดเมื่อยขบอะไรเลยเพราะการเดินหรือการนั่งก็เพื่อปฏิบัติต่อจิตใจโดยเฉพาะและมีความสนใจต่อ ง, งานทางใจมากกว่าที่มาสนใจกังวลกับความเจ็บปวดต่างๆของร่างกายฉะนั้น เวทนาทางกายจึงไม่ค่อยรบ ก, กวนท่านเหมือนนั่งธรรมดาไม่ได้ภาวนาท่านที่มีภูมิจิตสูงทางสมาธิเวลาเข้าที่ภาวนาพอจิตรวมลงแล้วพักอยู่เป็นเวลาตั้งหลายหายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาเช่นนี้เวทนาไม่มีมารบ ก, กวนได้ถ้าจิตยังไม่ถอนขึ้นมาตราบใดเวทนาก็ยังไม่เกิดอยู่ตราบนั้นด้วยเหตุนี้การเดินหรือการนั่งของผู้มีภูมิจิต กับผู้ยังไม่มีภูมิจิตจึงต่างกันอยู่มากในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิทั้งที่จิตยังไม่มีภูมิทําอะไรเลยกับเวลาจิตมีภูมิทําแล้วยังต่างกันอยู่มากมายเช่นเวลาฝึกหัดใหม่ๆเดินหรือนั่งเพียงชั่วโมงเดียวก็แย่อยู่แล้วพอจิตมีภูมิทําแล้วเดินหรือนั่งตั้งหลายชั่วโมงก็ไม่มีเวทนามารบกวนจึงทําให้เห็นได้ชัดว่าเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับใจมากกว่ากายอีกประการหนึ่ง อากาศพอเย็นสบายหรือมีฝนพรมเล็กน้อยทำให้ร่างกายสบายจิตใจปลอดโปร่งดีขณะเข้าทีภาวนาจิตจะผิดปกติกว่าเดิมทั้งทางสมาธิและทางปัญญาคือจิตจะลงได้เร็วและพักอยู่ได้นานจึงจะถอนขึ้นมาขณะจิตถอนขึ้นมาร่างกายจะไม่รู้สึกเจ็บปวดที่ไหนเลยใจจึงสำคัญในตัวคนท่านทาความเพียรท่านทาอย่างเอาจริงเอาจังตั้งหน้าตั้งานในหน้าที่อันเดียว ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวความเพียรจึงสืบต่อกันทั้งเหตุและผลกลมกลืนกันไปโดยสม่ำเสมอความเจริญทางใจก็ประกฏชัดขึ้นทุกระยะจะเป็นสมาธิก็ทราบชัดว่าจิตลงได้ละเอียดละอ่ทางปัญญาก็ทราบชัดว่ามีความแยบคลายไปทุกระยะที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์เครื่องพิจารณาใจก็ค่อยๆผุดโผล่ขึ้นจากเปือกตมคือกิเลสชนิดต่างๆโดยลําดับ เหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นจากพื้นพิภพส่องแสงสว่างมาสู่โลกฉะนั้นผลเหล่านี้แลทําให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายเพลินในความเพียรจนลืมมืดลืมสว่างลืมวันคืนเดือนปีนาทีโมงเพราะความไม่สนใจคํานึงสิ่งที่จดจ่อต่อเนื่งอยู่ตลอดเวลาก็คือความเพียรกับสติปัญญาที่จะนําชัยชนะมาสู่ตนอยู่ทุกระยะที่บําเพ็ญเห็นความพ้นทุกข์ปรากฏอยู่กับใจดวงกําลังถูกเวริรกจอกแหนคือกิเลสชนิดต่างๆที่ ปกคลุมออกด้วยสติปัญญาไม่ขาดวักขาดตอนนั่งอยู่ก็เวิยืนอยู่ก็เวิร์กเวเดินอยู่ก็เวินอนอยู่ก็เวิเว้นแต่หลับพอตื่นนอนขึ้นมาก็เตรียมเวริรจอกแหนคือกิเลสออกจากใจเท่านั้นเป็นกิจที่จําเป็นคู่กับชีวิตท่านจริงๆบรรดาครูอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมาก่อนจะได้มาเป็นอาจารย์สั่งสอนประชาชนรู้สึกมีความเข้มแข็งบึกบึนและได้รับความทุกข์ลำบากจากการถูกทรมานคล้ายคลึงกัน ทั้งที่ล่วงไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นผู้มีความมุ่งหวังต่อธรรมดังที่ท่านรู้เห็นและแสดงให้ฟังจึงไม่ควรปฏิบัติลัดคิวเอาตามใจชอบแบบที่โลกเขาทํากันได้ผลควรทราบว่าทํามกับโลกผิดกันมากทำไปเดินตามแบบที่ท่านพาดําเนินมาแต่จะเอาความสะดวกขว้าแบบลัดคิวให้เป็นธรรมสมัยใหม่ขึ้นมาในใจนั้นน่าจะไม่มีหวังเพราะธรรมไม่ได้เป็นไปตามสมัยเก่าและใหม่ แต่ทำก็คือทำโลกก็คือโลกมาดั้งเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติธรรมจึงควรดำเนินตามเหตุที่เหมาะสมผลที่พึงหวังจึงจะมีทางเกิดได้การจะดัดแปลงธรรมเอาตามชอบใจไม่คำนึงดูความควรหรือไม่ควรจึงเป็นเหมือนการปฏิบัติแบบรัดคิวส่วนผลที่มุ่งหวังจะเป็นความขาดคิวหรือตกรอบไปใช่ไม่ได้จะเกิดความเสียใจและมาอาว่าตนทารอดตาย ไม่ได้รับผลเท่าที่ควรไม่ทําเสียดีกว่าคําว่าดีกว่าด้วยการไม่ทําเพราะความเข้าใจผิดก็จะกลายเป็นผิษเผาตนไปนานกลายเป็นผิดสองซ้ําย้ำสองผลซึ่งล้วนเป็นการทาลายตนให้เสียไปเปล่าเพราะความมักง่ายชอบปฏิบัติแบบพลัดชิวจึงขอเตือนไว้พอเป็นข้อคิดว่าทำเป็นธรรมชาติที่มีกฎเกณฑ์ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อหวังประโยชน์และความเป็นสิริมงคลแก่ตน จึงควรสังเกตวิธีปฏิบัติด้วยดีไม่เห็นแก่ได้แก่การกระทำอันเป็นลักษณะแผลงแผงแฝงเข้ามาในวงการปฏิบัติเนื่องจากความเป็นคนสมัยใหม่และอยากดังเป็นตัวจากพามุนให้ผิดทางปราที่ท่านปฏิบัติและรู้เห็นมาก่อนจึงเลือกเฟ้นแล้วเฟนเล่าด้วยปัญญาแหลมหลักกว่าจะนาทาออกในนามสวาขาธรรมว่าตรัสไ่ชอบแล้วถูกต้องสมบูรณ์เต็มที่แล้ว เหมาะสมแก่การสถานที่และสมัยธรรมนิยมเต็มที่แล้วสมบูรณ์ทั้งอัตตะทั้งพยัญชนะถือเอาใจกวางก็ว่าสมบูรณ์เต็มที่แล้วทั้งเหตุและผลควรแก่การปฏิบัติตามไม่มีเคลือบแคลงสงสัยนับแต่ขั้นกัลยาณธรรมถึงขั้นอริยธรรมถ้าเป็นนามของผู้ได้รับผลก็เป็นกัลยาณชนและอริยชนไปตามลำดับจนถึงอรหันตบุคคล ไม่มีบกพร่องทางคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นมัชิมาผู้ปฏิบัติเป็นมัชิมาตามหลักธรรมมีแสดงไว้ว่าศีล ส, สมาธิปัญญาคือการที่ควรมีศีลก็ควรสนใจในศีลการที่ควรมีสมาธิความสงบใจก็ควรสนใจในการทำสมาธิให้เกิดการที่ควรมีปัญญาก็ควรเจริญปัญญาให้เกิดไม่ส่งเสริมหรือลบล้างส่วนใดส่วนหนึ่งให้เสียไป อันเป็นการลบล้างตนให้เสียไปในขณะเดียวกันเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมสมบัติเกี่ยวเนื่องกันที่ผู้ปฏิบัติจะควรสนใจเสมอกันตามการเวลาที่ควรจะเจริญในทำใดเวลาใดไม่เป็นสิ่งที่ควรผลักออกหรือพัดเลิกเอาตามใจชอบอันเป็นความเห็นผิดทั้งนี้เนื่องจากธรรมไม่ใช่กองสมบัติต่างชนิดกันโดยเป็นกองเงินกองทองและกองเพชรนินจินดา ว่าตนชอบสิ่งนั้นไม่ชอบสิ่งนี้แล้วตัดออกแต่เพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นคุณธรรมเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติของผู้ต้องการคุณธรรมนั้นๆจะควรปฏิบัติให้กลมกลืนกันไปตามความจำเป็นของศีลสมาธิปัญญาแต่ละประเภทคือศีล น, นั้นเป็นพื้นของผู้มีศีลที่รักษาอยู่ประจาส่วนสมาธิกับปัญญานั้นจะควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะเหมาะสม เพื่อกำลังจะได้เพิ่มขึ้นเป็นคู่เคียงกันไปไม่ให้บกพร่องด้านใดด้า น, า น, านหนึ่งการปฏิบัติต่อธรรมทั้งสองประเภทนี้มีดังนี้คือถ้าสมาธิยังไม่มีเลยก็ควรพยายามให้มีขึ้นด้วยการบริกรรมภาวนาหรือวิธีใดที่ถูกกับจริตนิสัยซึ่งควรจะทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ถ้ามีบ้างแล้วก็ควรจเจริญวิปัสสนาปัญญาไปด้วยกันตามโอกาสที่สมาธิถอนขึ้นมาและมีกาลังพอขวรแล้ว การพิจารณาทางปัญญานั้นควรแยกแยะธาตุขันมีรูปประขันเป็นต้นออกพิจารณาโดยอนุโลมปฏิโลมถอยหน้าถอยหลังกลับไปกลับมาโดยทางปฏิกูลหรือทางไตรลักษ์จนมีความชำนิชำนาญคล่องแคล่วอันดับต่อไปก็พักจิตโดยทางสมาธิ ด, ดังที่เคยทำมาอย่างนี้เรียกว่าการบำเพ็ญสมาธิและปัญญาให้เป็นไปดยสมอเสมอไม่หย่อนในธรรมนั้นยิ่งในธรรมนี้ เพราะสมาธิกับปัญญาทั้งสองนี้เป็นธรรมพยุงจิตให้เจริญขึ้นโดยลําดับไม่มีวันเสื่อมคลายผู้บําเพ็ญจึงควรสนใจทั้งสองอย่างให้ส ม, สม่ําเสมอกันแต่ต้นจนอวสานแห่งการบําเพ็ญเพื่อบรุษมากผ ล, ลนิพพานศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีม่ใช่ธรรมลาสมัยและม่ใช่ธรรมเลยสมัยแต่เป็นธรรมที่เหมาะกับทุกยุคทุกสมัยตลอดมาและตลอดไปเป็นอนันตการไม่มีการสถานที่และบุคคล มาบังคัาไปทำเหล่านี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเป็นธรรมที่เหมาะกับกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ในใจสัตว์ไม่มีสิ่งใดยิ่งไปกว่าผู้ปฏิบัติจึงควรทำให้เหมาะสมกับธรรมที่จะนำไปแก้กิเลสชนิดต่างๆ